จะทำอะไรนี่ก็คิดถึงเรื่องกำไรขาดทุนมีเงินเป็นตัววัดนะความสำเร็จอีกโลกนึงเป็นโลกของความมีน้ำใจความช่วยเหลือเกื้อกูลนะไม่เอาเงินเป็นใหญ่นะแต่เอานะความแต่คำนึงถึง ความเดือดร้อนของกันและกันคนเราทุกคนนี่ก็อยู่ในสองโลกนี้แหละเวลาเราออกไปซื้อสินค้าเข้าห้างหรือไปทำงานเนี่ยเราก็คิดเรื่องเงิ น, น, นแต่ในเวลาอีกเวลานึ่งเราก็อยู่ในโลกซึ่ผู้คนสัมพันธ์กันด้วยน้ำใจเช่นในครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูง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 เรื่องกำไรขาดทุนทันทีเพราะฉะนั้นพอบอกให้เขาลดค่าบริการเหลือ30ดอลลาร์นี้เขาก็ไม่ยอมพอเพราะเขารู้สึกว่ามันต่ำมันต่ำกว่าราคาตลาดนะแต่พอไม่พูดเรื่องเงินพูดว่าช่วยเป็นการกุศลได้ไหมอ๋อมันมันก็ไปกระตุ้นในส่วนที่เป็นเรื่องของความมีน้ำใจเขาคิดว่าได้สินะ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 แล้วต่อมาวงกลมนั่นก็เข้าไปอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่านับให้ได้ว่าไอ้วงกลมที่มันไปอยู่ในสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันมีเท่าไหร่กลุ่มแรกนี่ก็บอกว่าเนี่ยให้เงินหดอลลาร์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 ซึ่งก็ธรรมดานะเพราะว่ากลุ่มแรกนี่ได้ต้องห้าดอลลาร์กลุ่มที่สองมันได้ห้าสิบเซนมันก็ไม่อยากนับแต่กลุ่มที่สามนี่ซึ่งทําฟรีๆบอกว่าได้ถึงร้อยหกสิบนับได้ถึงร้อยหกสิบกว่าวงมากกว่าคนที่ได้ห้าดอลลารนะ์กลุ่มที่สามนี่เขาตั้งใจนะเพราะว่าไหนๆเพื่อนบอกให้ช่วยกันก็ก็ทำก็พอทําด้วยความ โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ทำด้วยความตั้งใจอันนี้มันก็แสดงว่าคนเรานี่ไม่ได้คิดแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคนเราก็มีน้ำใจผู้อย่างนี้ก็คนเราก็มีทั้งความเห็นแก่ตัวและความเสียสลนะอยู่ที่ว่าพฤติกรรมของเรามาจะแสดงออกมาอย่างไงขึ้น อ, อยู่ว่าเราไปกระตุ้นส่วนไหนเช่นพอพูดเรื่องเงินเนี่ยนะว่าจะให้เท่านั้นเท่านี้นี่ ให้ความเพียงแคตัวมัน ก, ก็จะออกมาแล้ะมันก็จะนึกว่าฉันได้เท่าไหร่ถ้าได้มากฉันทำนได้น้อยฉันไม่ทําหรือว่าฉันก็ทําแบบเย่อหยอแย่ๆอีกส่วนหนึ่งมีก็มีความเป็นความ เ, เป็นความเสียสละไว้วานกันได้นะไว้วานก็พร้อมช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือจริงจังด้วยเพราะฉะนั้นการที่บอกมนุษย์เรา ม, มีความเป็นกแคตวัวมันพื้นฐานนี่มันก็ถูกนะแต่ไม่ถูกหมด ล้วก็มีความเสียสละมีความเอื้อเฟื้อด้วยอันนี้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เรียกว่าตั้งแต่เกิดก็ได้นะเด็กทารกเนี่ยเวลาเขาเห็นใครเดือดร้อนนี่เาก็จะมีความทุกข์นะเขาเคยมีการศึกษากับเด็กอายุไม่ถึงสองขวบนะตั้งแต่แบบอบจกนกระทั่งถึงพอจะเดินได้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 อันนี้ก็คล้ายกับเรื่องที่พูดเกี่ยวกับท่านโกเรนการนะ์แต่ท่านโกเรนการ์นีท่านไปปฏิบัติธรรมท่านไปทาสมาธิเป็นไมเกรียนกันพอทำสมาธิแล้วนะทำวิปัสสนาแล้วปรากฏว่าไมเกรก็หายนะหายเพราะจิตใจมีความสงบอีกอันหนึ่งเพราะว่าแต่ในกรณีนี้นะเป็นเพราะได้ไปช่วยไปช่วยคนนะแล้วก็มีความสุข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 อ่าเรียกว่าล้าหลังนะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณชั้นเทพชั้นราชั้นธรรมนะก็ต้องมีรถนะก็ต้องอยู่เท่าไหร่ยี่ห้อไหนถ้าเป็นชั้นธรรมก็ต้องเบนทน์ถ้าเป็นชั้นเทพก็ไม่เป็นไรโตโยต้าได้อะไรทานองเนี้คือไปคิดว่ายิ่งมีความสำเร็จมากยิ่งต้องครอบครองสิ่งที่ราคาแพงสิ่งที่ราคาสูงมากขึ้น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 ทำให้จิตมีคุณภาพเช่นมีความเมตตากรุณามีความเสสละมีความเ อ, อื้อเฟือ้อฝ่บุญฝ่กุศลนะอยากทำความดีทำความดีแล้วมีความสุขกนะารปฏิบัติทรรเนี่ยส่ว น, นก็คือหมายถึงการปฏิบัติให้ถูกทานองครองธรรมหรือว่าถูกจริยธรรม เป็นผู้ที่หมันให้ทานนะเป็นผู้ที่รักษาศีลนะไม่ไปเบียดเบียนใครคําว่าธรรมะนี่ในแง่หนึ่งก็หมายถึงคุณธรรมเพราะนั้นปฏิบัติธรรมก็คือการส่งเสริมให้ตัวเองนี่มีคุณธรรมมากขึ้นเรียกว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตากรุณาแต่ว่าธรรมะนี่ยังมีความหมายหนึ่งแปลว่าความจริงด้วยไม่ได้แปลว่าความดีอย่างเดียว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 ที่พถึงความทุกข์เพื่อให้รู้ว่าจะต้องไม่อยู่เฉยจะต้องหมั่นทำความดีแล้วก็ฝึกจิตให้เห็นความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสุขและความสุขนั้นก็จะไปหล่อเลี้ยงให้หมั่นทำความดีแล้วก็ภาคเพียรในการที่เห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้ง3มอย่างนี้ไปด้วยกัน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 ปกติเตรียมสามคนบอกเตรียมสองคนก็พอแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้แม่กับคนใช้มาที่ที่นาด้วยลูกสาวก็ทําตามพอพูดช่นนี้เนี่ยแม่ก็ถามว่าว่าเกิดอะไรขึ้นลูกสาวกกบอกว่าลูกชายตายแล้วคือพี่ชายขอยงตัวนั่นแหละตายแล้วแ ม, แม่ก็ไม่ตกตกใจอะไรก็ ไปที่นาพร้อมกับลูกสาวลอบคนใช้ไปถึงก็ทำการเผาศพเลยเผาศพี่นี่ก็ไม่ได้เผารองที่เผาศพเนี่ยก็ไม่ได้คล่าครวญร้องไห้อยางใดในระหว่างนั้นก็มีคนแก่เนี่ยเดินผ่านมาก็ถามว่าคนที่ตายนี่เป็นใครสงสัยจะเป็นคนอื่นกำลังเพราะเห็นไม่มีใครร้องไห้เลย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 เขาทิ้งล่างไปก็เหมือนกับงูลอกคราบนะตอนนี้เขาถูกเผาแล้วเขาไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดหรอกแล้วเราจะโศกเศร้าไปทําไมคนที่เป็นแม่ก็บอกว่าตอนที่เขามาเกิดเขาก็ไม่มาไม่ได้แจ้งก่อนนะเวลาเขาไปเขาก็ไปโดยที่ไม่ได้บอกลาเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นเกอเลยไม่ได้เศร้าโศกคร่ําครวญเพราะเขาก็ไม่รู้เจ็บไม่รู้จักเจ็บป่วยอีกต่อไปแล้ว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 เราก็จึงไม่ร้องไห้ไม่คล่ำควรวญเพราะว่าเขาก็ไม่รับลืมความเจ็บปวดที่ถูกเผาแล้วคือทั้งหคนนี้ก็เรียกว่าเห็นความจริงของชีวิตก็เหลือไม่เศร้าโศกไม่คล่คําครวญก็ยอมรับอันนี้ก็ทําให้สามารถที่จะรักษาใจใปกติได้าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําให้เราเนี่ยไม่เพียงแต่มีฉันท่าในการทําความดีแล้วก็มีชีวิตที่ถูก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 คนที่เห็นแต่ว่าโลกนี้มันมีแต่ความสวยงามแต่ไม่ได้เห็นว่ามันมีอีกด้านหนึ่งของโลกนะที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจก็จะพัดก็จะเสียใจนะเวลาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหรือว่าเจอความผัดพราแต่ถ้าเห็นความจริงอย่างรอบด้านก็เห็นว่าเออนี่คือธรรมดาของมนุษย์นะเกิดแก่เจ็บตายความไม่เที่ยงความไม่จริงลังหรือเห็นแม้กระทั่งว่าทุกอยู่ที่ใจเห็นแม้กระทั่งว่าเห็นความจริงว่า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 ยากที่จะมีอะไรมาทําให้เราทุกข์ได้ในพระไตรปิฎกก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของนางเมาลิกานาเมริกานี่แกเป็นภรรยาของพันธุลพันธุรที่เป็นเ ส, เสนา บ, บดีคนสําคัญของพระเจ้าพระเศรติโกสนพันธุลนี่เป็นนักรบที่เก่งมากตอนหลังนี่พระเจ้าพระเศรธิโกศนนี่ระแวงพันธุละกับลูกและลูกเขยก็เลยหลอกให้ไปตาย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 ข้าพเจ้ายัางไม่คลั่งผัวไม่เสียใจเลยตอนนั้นเนี่ยแ ค, แ, แค่แก้วแตกแค่แก้วแตกนี่ก็เฉยมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยคนเรานี่พอรู้จนเข้าถึงความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ทุกข์ได้แม้ว่าจะต้องอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยความโลกที่เต็มไปด้วยทุกข์โลกที่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแต่ว่าจิตใจเนี่ย สามารถจะอยู่เหนือไอ้ความความทุกข์เหล่านั้นได้ยกจิตให้เหนือความทุกข์เพราะว่าเห็นความจริงเนะห็นพวกเราก็นี้ก็ให้เราเข้าใจนะขอบขายงการปฏิบัติธรรมและจุดมุ่งหมายในด้านนี้ก็เป็นการส่งเสริมหล่อเลี้ยงบม่มเพาะธรรมชาติฝ่ายดีในใจเรานะไม่ว่าจะ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 ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์ของกูพี่น้องของกูลูกของกูหรือแม้กระทั่งน้รังกายของกูไอ้เนี่มันเปนมายาภาพทังสิ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นของกูได้เลยไม่มีอะไรที่เราสามารถจะบังคับบัญชาได้เลยเล่เาไปก็ไม่ได้เห็นแม้กระทั่งว่าไอ้ตัวกูของกูนี่มันอย่าว่าแต่ของกูเลยแม้ทั่งตัวกูนี่ก็มันก็ไม่มีการปฏิบททัติธรรมก็คือมันให้ทำให้เห็นความจริงตรงนี้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 ถึงตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่มีความเพียงแคตัวแล้วตอนที่ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมหรือธรรมชาติฝ่ายบวชนี่มันก็ยังมีความเพีงแคตัวอยู่แต่ว่าคอยคุมเอาไว้ไม่ให้มันเพ่นผ่านมากเกินไปแต่พอปฏิบัติธรรมจนเห็นความจริงในระดับที่เราเป็นวิปัสสนาเนี่ยมันไม่มีความเพียงแ่ตัวเหลือแล้วเพราะเห็นชัดเลยว่าไอตัวกูของกูที่มันมันของปลอมทั้งนั้นนะ